สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยแปดสิบสองเรื่องผู้ปนิบัติ พ, พระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สบข้อยี่สิบแล้วจานจนถึงข้อที่ยี่สิบแปดนะครับมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบแปดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเศเบดี พาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์ทั้งสองคนนี้นั่งในราชนจาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งแต่พระเยซู ต, ตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือ เขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับเขาว่าทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าาทั้งหลายรู้อยู่ว่า ผู้ครอบครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นท่าสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประธานชีวิตของท่าน ให้เป็นขาาไทยคนเป็นอันมากนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอให้เราได้ดูบริบทของพระกัมภีร์ตอนนี้ในบรรยากาศของการติดตามพระเยซูเราจะเห็นว่านอกจากสาวก12คนนะครับก็ยังมีญาติพี่น้องของสาวกคนที่สาวกรู้จักนะครับก็ปะโปลอยู่มาเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูด้วยเหมือนกัน พระกบีได้บรรยายว่าในข้อที่ยี่สิบนะครับว่าแม่ของบุตรแห่งเสดีนะครับก็คือยากบและยอนสองคนนี้เขาอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเยซูก็คืออยากจะเป็นคนที่อยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับถ้าเปรียบเทียบในสมัยสามก๊กก็คือฝ่ายบู้และฝ่ายบุน เยเซเปนสมัยนี้ก็คือเป็นทอซอคนสนิทเวลาพระเยซูนั่งปกครองราชจักรของพระองค์นะครับสองคนนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นบอดี้การ์ดเป็นผู้ที่อยู่เบื้องขวาเบื้องซ้ายถามว่ายากที่น้องนะครับของตัวเองนั้นในที่นี้คือมารดานะครับมารดาก็มาขอพระเยซูเป็นไปได้ครับที่สองคนนี้อยากจะเป็นใหญ่แล้วก็ขอให้แม่ช่วย แม่เองกันก็เนื่องจากรักลูกมากนะครับก็ลำเอียงก็มาขอจากพระเยซูนะครับในข้อยีิบสองเป็นที่สังเกตว่าพระเยซูตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอพระเยซูไม่ได้บอกว่าที่แม่ขอนะครับพระเยซูทรงทราบครับว่าทั้งสองคนเนี้ยนะครับมีความมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นบอดี้การ์ดอยากจะเป็นทอสอของพระเยซูเพราะฉะนั้น เยซูก็บอกกับเขาตรงครับข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่ครับว่าดื่มถ้วยนี้มีความหมายว่าจะต้องรับความทุกข์ยากลาบากครับแต่บาเหน็จก็คือการจะนั่งข้างขวาข้างซ้ายนั้นเป็นเรื่องของพอบิดาพอบิดาเตรียมไว้ให้กับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นพี่น้องครับในประเด็นนี้เองทำให้เราคิดถึงว่าเราจะได้อะไรบนแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วเพราะพระองค์รู้ล่วงหน้าแต่เราเองครับจะต้องคิดในวันนี้ในเวลานี้ว่าเรากําลังจะได้อะไรเรากําลังจะได้สิ่งที่พร ะ, พระบิดาจัดเตรียมไว้นั่นคือบําเหน็จบนสวรรค์คืออะไรบ้างพี่น้องครับคนจะไม่ใช่เงินทองของนอกกายแต่น่าจะเป็นเยียิยศสง่าราศรีที่พระเจ้าจะชมเชยเรานะครับพอถึงตรงนั้นพระเจ้าชมเชยเรานะครับ เราก็ปลื้มออกปื้มใจเต้นอิ่มเต็มใจไปสุดชั่วนิรันดร์อันนั้นคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมาอยู่ในเนื้อหาของวันนี้เนื้อหาวันนี้ก็คือผู้ปนิบัติมัทธิวและมาระโกนั้นมีข้อแตกต่างในเนื้อหาเรื่องความปรารถนาที่จะเป็นใหญ่ของยากบและยอน มัทธิวกล่าวว่ามารดาของชายหนุ่มทั้งสองชื่อซาโลเม่ครับซาโลเม่พาบุตรมาเฝ้าพระเยซูทูลขอให้ตั้งให้เขานั่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายดังที่เราทราบไปแล้วบิดาของชายหนุ่มสองคนนี้คือเสบดีมาระโกบอกว่ายากบและยอนทูลขอเองพี่น้องครับเราจะไม่คํานึงว่าใครเป็นคนทูลขอนะครับแต่ เรารู้ว่ายากรอบและย อ, อ น, นั้นก็ต้องการตําแหน่งเกียรติยศครับเยซูได้ยินคําทูลขอก็ตัดถามว่าถ้วยซึ่งเราจะให้ดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือนะครับเป็นสนํานวนของคนยิวครับว่าเราจ ะ, ะเผชิญชะตากรรมเดียวกันคุณจะรับได้หรือเปล่าบับติสมาในมราระโกนะครับเขียนว่าบับติสมาซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือสองคนนี้ตอบโดยไม่ลังเลครับเพราะปฐนนาจะเป็นใหญ่ได้ข้าเจ้าค่ะ พระเยซูไม่ได้ทรงหมายถึงรับประมาด้วยน้ำนะครับหรือการดื่มน้ําแต่พระเยซูบรรยายเปรียบเทียบถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูจะต้องรับพวกเขาจะดื่มจากถ้วยของพระองค์จริงๆครับพระเยซูได้ทรงพยากรณ์ไว้โดยการถูกประหารทหารที่น้องครับแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเยซูพระเยซูได้บอกกับเราว่าเป็น หน้าที่ของพระบิดาเจ้านะครับและสิ่งที่สําคัญที่พระเยซูสอนพวกเขาในที่สุดก่อนที่จะไปถึงคําสอนครับพี่น้องพระกัมภี์มันยังบรรยายถึงรายละเอียดว่าพวกสาวกที่เหลือสิบคนนะัรู้สึกขุนเคืองใจครับคือสาวกก็มีความรู้สึกนะครับสาวกอื่นๆเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้ต้องเป็นคนโปรดเหรอพี่น้องครับความขัดแย้งความขุ่นเคืองนะครับ ความความไม่พอใจนะครับอาจจะเกิดจากความอิจฉาลิษยาหรืออาจจะเกิดจากการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเสมอในหมู่คนที่ติดตามพระเยซูแต่พระเยซูกําลังบอกว่าใครจะเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้ปรนิบัติครับคําว่าผู้ปรนิบัตินั้นมีความหมายว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านนะครับเป็นคนรับใช้ในบ้านซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่ามัคคณายกในภาษากรีกนะครับเป็นคําที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นะครับเป็นผู้รับใช้ที่สมัครใจรับใช้นายของเขาตรงนี้ตรงกับภาษาฮีบรูที่แปลว่าทาตสมัครนะครับหมายถึงผู้ซึ่งยอมเสียสิทธิส่วนบุคคลของตนเองเพื่อไปรับใช้นายของตนทั้งสองคอนนี้บรรยายถึงลักษณะของสาวกพระเยซูว่าจะต้องเป็นผู้ยอมรับใช้บุคคลอื่นอย่างเสียสละจริงใจและด้วยความสมัครใจ เปยียสุทรงใช้พระองค์เองเปรียบเทียบโดยตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อรับการปณิบัติแต่มาเพื่อปณิบัติผู้อื่นไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระเยซูยอมประทานพระชนชีพของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระเยซูยังทรงยอมประทานพระชนชีพของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากทรงทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถข่ ข, ไถของพวกเราครับ คำว่าค่าไถ่หมายถึงราคาที่สูงลิ่วที่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระเยซูเพื่อจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระปลดปล่อยเราจากค่าจ้างของความบาปซึ่งก็คือความตายพระชนชีพของพระเยซูหรือชีวิตของพระเยซูก็เป็นค่าไถ่สาหรับการปลดปล่อยพวกเราพี่น้องทุกคนจากบ่วงของซาตานความผูกการผูกมัดของอํานาจมืดวิญญาณชั่วและความบาปที่ อยู่กับเราแต่เดิมพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีจิตใจที่จะโปรนิบัติคนอื่นจิตใจสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอาเมน